ความทุกข์ต้องหมดเกิดกับอุปทานขันธ์หน้าลงยึดถือหลงยึดถือเป็นอุปทานขันธ์หน้าลงยึดถือในการมีแต่ขันธ์หน้าที่เกิดขึ้นขันธ์หน้าดัไปตัวตนของผู้ยึดถือไม่มีมีแต่ขันธ์หน้าที่เกิดขึ้นมีอารมยังไงมีอาการไงก็เป็นเรื่องของขันธ์หน้าผู้ยึดถือผู้เสวยนม่มความลงยึดถือขันธ์หน้าอุปทานขันธ์หน้าจิตเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ นิพพานมีอยู่แต่ตัวตนของผู้ที่ผู้ที่ถึงนิพพานไม่มีมีแต่นิพพานทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกนิพพานมีอยู่แต่ไม่มีผู้นิพพานสังขารเป็นทุกขันหน้าเป็นทุกพระพุทธเจ้าตัดว่าขันหน้าเป็นทุกอนิจจังทุกข์กาลอนตะตาทุกย่อมมีอยู่พระพุทธองค์ตัดว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ต่างอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเราอย่าแสวงหาสุขเลยเพราะพุทธเจ้าตรัสว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปขณะดจิตใจที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขแต่ความจริงเน่ะขณะนั้นเนี่ะความทุกข์มันแค่เบาบางลงไปเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นสุขแต่จริงสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์ปัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์อันนี้จังทุกข์กังอันตายนี่จะทุกข์นั่อย่าแสวงหาทุกข์ทุกข์แล้วอย่าพยายามจะทําให้มันหายทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ยึดถือความทุกข์นั้นมันก็เป็นอย่างเนี้ดีกว่าจะตายไปเมื่อมายึดถือทุกข์นั้นทุกข์นั้นจะทําอะไรใจไม่ได้ ไม่ใช่ทุกนะพยายามจะไปทําให้มันหนทุกทุกเขาเป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อมีสังขารก็ยอมมีทุกทำไมอยากทุกเนี่ยกเกิดพระเาจา้าตรัสว่าถ้าเกิดแล้วต้องเป็นทุกเพราะสังขารมีสังขารนะสังขารนั่นแหละมันเป็นทุกสังขารนั่นคือมีร่างกายมีจิตใจ ย, ย่ยอมเป็นทุกอย่าคิดว่าทุกเล ย, ยเนี่ยแสวงหาทุกเลยนม่นีหรอมีแต่ทุกเพราะพระเจ้าองค์จึงตรัสว่า ผู้ใดเบื่อหน่ายในทุกที่ตกลงนั่นแหนละคือปฏิปัติมันเป็นธรรมหมดจดไม่ได้บอกว่าทุกไม่มีแต่เบื่อหน่ายในทุก์ที่ตกลงนั่นแหนละคือตางแห่งสันปัติเราไปทำหมดจดทุกเรื่อดีมันจะได้เบื่อหน่ายทุกมีสุปมันก็เพิเ่มเปินคนมีสตุปไปถามว่ายังสุขอยู่ไม่อยากไม่อยากว่าปฏิบัติธรรมยังไม่ทุกพอเขามีความรู้สึกเป็นสุกก็เลยไม่มาปฏิบัติธรรมันเราก็เห็นว่ามสุขนี่อย่า จะทุกข์อะไรชีวิตเกิดมาเห็นจะทุกข์อะไรก็เลยไม่ปฏิบัติธรรมเพราะในเห็นทุกข์นี่แหละมันจึงเห็นธรรมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเบือน่ายในทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละคือทางแห่งพนิพพานมันทำหมดเจอดเราไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์แล้วไม่เบื่อหน่ายพอความทุกข์มันจางหลงหลงยึดติดยึดถือตายเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์มันทุขก็ไม่มีหรอกมันเดทุกข์มันจางหลงแค่นั้นแหละมันก็คือทุกข์ เราเบื่อหน่ายทุกจริงเลยมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเน่ยเหมอนทุกขไม่มีหรอกเราก็เลยไม่หลงเมื่อเวลาพอมันทุกข์มันจางลงว่าหลงรู้สุกข์ก็เป็นทุกขทุกข์ก็จักแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งเพราะสังขารเป็นทุกข์ขันหน้าเป็นทุกข์เหมอนทุกข์ย่มีอยู่แต่เป็นแต่ว่าเบื่อห่ายในทุกข์เบื่อห่ายภพชาติเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อหน่ายการเวียนวนให้มันเป็นทุกข์อีกจึงไม่ยึดติดยึดถืออะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็แค่แต่รู้แต่รู้แต่รู้แต่รู้ ไม่เอาเลยสักอย่างหนึ่งไดแต่รู้รู้ไม่แต่ไม่สนใจไม่จับทุกข์กับทุกข์ไปไม่มีผู้ทุกข์ไม่ใช่มีความรู้สึกว่ามีเราตัวเรามีความทุกข์หรือความทุกข์นี่เป็นตัวเราเราไปยึดทุกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องมาเป็นของของเรามันมีแต่สมมุติที่เกิดมาแล้ว เ, เ, เป็นสมมุติเป็นพ่อแม่พี่น้องกันก็ทําหน้าที่ต่อกันเป็นสมมุติในชาติชาติหนึ่งเมื่อจบชาตินี้ไปแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็ถ้ายังยึดติดที่ถืออยู่มันก็ยังไปยังยังต้องไปเกิอดอีก มันไปเกิดแล้วมก็ไปเป็นไป ต, ต่างๆกันก็ไม่ได้เจอกันอีกงแต่ในชาตินี้สามคนก็นสมมติกันเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องคือมาหลงสมมตินในชาติที่เป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นสา e, มีภรรยาเป็นลูกกันราะนั้นจะมีแต่หน้าที่ต่อกันเกิดมามีหน้าที่ต่อดอบแทนบุญคุณต่อกันมีหน้าที่ต่อกันแต่ความหลงยึดถือมันเป็นอาวิชาทำหน้าที่ดีที่สุดแต่ไม่มีหน้าที่ที่หลงยึดถือกันให้เป็นทุกข์ เกมาทำหน้าที่ดีที่สุดเท่านั้นจนกว่าจะสิ้นอายุไขัยหนึ่งหน้าที่แต่ละขณะก็เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหน้าที่ตอนนี้หน้าที่อะไรพอไปทํางานก็มีหน้าที่ในที่ทํางานมีหน้าที่เป็นเจ้าหนาทมีหน้าที่เป็นลูกน้องมีหน้าที่ต่อประชาชนกับบ้านก็เป็นหน้าที่ของลูกของพ่อแม่ทําหน้าที่ต่อพ่อแม่ดีที่สุดกลับไปบ้านเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ก็เป็หน้าที่เป็นพ่อแม่ดูแลลูกหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาเป็นหน้าที่ทําหน้าที่ต่อกันที่ดี แต่ไม่มีหน้าที่ห่วงใยกันจะเป็นทุกข์ น, นั้นไม่ใช่หน้าที่เป็นเป็นอวิชชากิเลสตถาพระสงฆประทานภพชาเป็นทุกข์แต่ละคนเนี่ยม่ต้องสินอายุขยัยสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นสองขานจะไปยึดถือและยิงจากน้างหนาไม่ถึงรอยปีกก็ตายเกี้ยงแล้วประโยชน์สาคัญที่สุดห น, นึคือนิพพานในปัจจุบันคือความเห็นตาธรรมจะทำความจริงแล้วไม่ยึดถือสิ่งใดการบรรลุนิพพานในปัจจุบันนั่นคือประโยชน์สูงสุดในการยึดถือไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ได้เดี๋ยวพาอยู่ในมือไว้ใจอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวพาทางเกิดอุบัติเหตุไปเ ร, รยปียนระลายตายซะก่อนอังที่นอนหลับไปไม่ฟื้นหนึ่งเกิดปุ๊บไม่รู้เกิดมาเป็นอะไรแล้วเห็นพิสูุนิรนามที่เป็นว่าเข้าส ม, มาธิอ้าวเขามีเข้าสมาธิมาทำไมสะอาดทิ้งี้ไม่มมได้นสอาดทิงนี้ดินกุกกะกุกกุกกะอยู่ในส ม, มาธิสอนก็สอ น, อ น, อนไม่ออกที่ไหนเดียวปึ๊บออกมาคลอดออกมาไปอยู่ในท้องสักเก้าเดือน ไอ้ที่มันดิ่งกูกลักูกลับมไปดี่งอยู่ในท้องเ้าเดือนนั่งสมาธิดินงยในท้องเก้าเดือนรู้สึกเคยพิงมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดน้นิพพานมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยตายจะเป็น อ, อะไรไม่รู้เรื่องมตายเฉยๆเลยตายในสมาธนะิเกิดดีนั่นไปเกิดเป็นคนนะโชคดีฝ่าฟันไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้หมูหมากร่ากายล็อตออกมาคอดำมาเป็นสัตวใ์ในราจกานเสร็จเลยเกิดมาเป็นอย่างมนุษย์ยังมีโอกาสตั้งทำได้ ไม่ไดนิพพานอยู่ในมือไว้ใจอะไรไม่ได้ดังั้นอย่ามัวไปไล่สาละเรื่องอื่นบริกรรมครับปล่อยหเมนพ่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธิมันมีความทุกข์ความสุขความจริงสุขมันไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์มันมีความรู้สึกมันคิดอารมณ์อะไรก็ตามต้องคิดตัอาการไม่แต่อาการสุขอาการทุกข์มันก็ไปเปลี่ยนอาการอาการหมือนกันรู้มันสับแตวรู้มันทุกข์ก่การมันต้องไปยึดติดที่ตัธพุทโธ ใมันสักระวุธสคิดธร่วมกันแล้วก็เห็นว่ามันทุกอย่างมันเกิดมาเป็นสมมติเพียงแต่ทําหน้าที่ดีต่อกันจิตสมมติมันก็หายไปหมดนะเกิดมาสมมติในชาติหนึ่งอย่าหลงสมมติในชาติแต่หน้าที่ต้องทําอยู่แล้วการตอบแทนคุณบิดามารดาเป็นคุณบุญบารมีที่ตกได้กับเราเองเนี่ยทําหน้าที่ต่อกันแต่นี้มีหน้าที่ยึดถือกันยึดถุดถึงเวลาเราก็ต้องจับกันไปด้วยกันไม่จับเป็นก็ต้องจบงะะับ ต, ตาย จะตายไปอย่างไร้ค่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะตัีเป็นโมฆะเมนเดินไปรู้ทำอะไรเลยเดินรู้เรื่องอะไรเลยกลับไปวนเวียนว่าตายเกิดมันเป็นตระแตนจาร เ, เป็นสุลกายแต่เราต้องทุกข์ยากาาาาาาาลําบากลำบากเม่ปฏิบัติให้มันหมดหน้าที่ที่เหลือมันปฏิบัติอรู้นิพพานอย่างเดียวเท่นั้นเพราะสำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติให้สินน้นความยึดถือในขณะปฏิบัติทุกสถาปฏิบัติแต่หน้าที่ก็ต้องทําอยู่แต่ใจไม่ยึดถือของเกี่ยวโภพัน อย่างอืนนะะอง่นเลยไม่ใช่แต่เราําคัญเลยชีวิตที่เหลือเนี่ยมีพพานต้องกันที่พานไม่อยากเกิดต้องปฏิบัติได้เรื่องความได้ในอื่นไม่ใช่แต่เราสำคัญแต่ดีที่อีกมิจะได้เห็นว่าเป็นทุกข์มันเลยจะได้ไม่ต้องอยากเกิดทุกข์ใครอย่ากมาปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์เนี่ยฟึงไม่อยากเกิดมีธรรมเป็นที่พึ่งพึ่งพระธรรมพึ่งตนเองให้เราถึงธรรมอรู้ธรรม อย่ามัวจั๊กจาปฏิบัติซะสงสารจะได้รีบไต่ถามมุตตะเป็นโลกอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนการปฏิบัติเพื่อย่าไปหมกมุ่นคุณคิดควุ่นวายในเรื่องของคนอื่นกับชั้นอื่นก็เกี่ยวผัวพันเกิดแล้วไม่วุ่นวายก่เกี่ยวผัวแฟนคนอื่นเจอกับคิดคดแทนกั อ, อยุ่งุ่นวายแตหมกมุ่นจะเรื่องตัวเองหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องธรรมเรื่องพะนิพาเรื่องทําในใจใคนทุกข์ มัก็มีหมกมุ่นอยู่แก่สองอย่าง่หมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นไอเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เมื่อไหรสิ้นกันเนี่ยหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นคิดวุ่นวายอยู่เนี่ยจะเรื่องสองอย่างหรือเกาะเกี่ยวผู้ฟังสิ่งใดคนใดเรื่องราวใดสิ่งใดภายนอกกับสิ้นกันหมกมุ่นคุณคิดเกี่ยวกับหมกมุ่นจะเรื่องคุณคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องคนทุกข์เรื่องบรรเจนวิภานทําไงจะบรรลุรู้แต่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นเป็นสมุทั้งหมด สมุทัยดับทุกทั้งมวลจึงดับเหตุดับผลจึงดับเหตุที้เกิดทุกข์คือความหมกมุ่นคณคิดคิดหมกมุ่นเนี่ยมันดับไปเหตุดับผลคือความทุกข์มันก็ดับไปด้วยเลือแต่ความทุกข์กายทุกใจไม่มีคือมีแต่เวทนากายเวทนาทางจิตไม่มีไม่มีความทุกข์ทางใจเทสางูปัสมโอสุโขผู้ใดแล้ะครับดับสังขารจะได้ผู้นั้นจะถึงขึ้นความสุขอย่างยิ่ง นี่แหละคือปนิพภาณเนี่ยสังขารนี่คือดับความหมกมุ่นคุณคิดคิดหมกมุ่นเลยเนี่ยใจไม่นอยู่กับตัวเลยมันรู้ตัวทันแล้วก็ตัดใจนะจากความหมกมุ่นคุณคิดทั้งหลายเห็นโทษมันว่ามันไปเห็นให้เกิดทุกข์เรนว่าตายเกิดเป็นพบเป็นชาไม่รู้จบสิ้นมีความยึดถือเป็นอุปทานมันกับจิจทร์ดตัวเข้ามาเหลือแต่ความสงบล่มเย็นเลิกคิดหมกมุ่นเลิกหมกมุ่นคุณคิณคดในเรื่องใดก็ได้ทั้งหมด แต่ความสงบลมเย็นคนไหนอยู่กับพุทโธได้ก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธคนไหนอยู่กับลมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกโทได้ก็อยู่กับลมหายใจเข้าพุทโหายใจออกโทคนไหนอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกได้โดยไม่ต้องพุทโธก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรใดก็มหายใจเข้ามหาใจออกคนไหนอยู่กับกายที่เดินไปเดินมาอยู่กับการเดินจงกรมเท้าที่ก้าวเดินไปก้าวเดินมาอยู่กับการเดินได้กวอยู่กับการเดินรู้สึกตัวตลอดเวลา อยปล่อยให้เหมือดเฟิมอ เ, เพียนปฏิบัติมันต้อเนียนต้องมีวิหารธรรมไหมมีเครื่องอยู่ไหมมีกรรมวิกรรมพุทโธหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหรือรู้ลมหายใจเข้าออกไว้หรือรู้เท้าที่ก้าวเดินไหมไหรู้สึกตัวไหมอยู่กับความรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมอย่าปล่อยให้เหมือดเฟื่ อ, สองส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกมันะถึงส่งจิตออกนอกไปเกาเกีเ่ยวพวกฟันยุบวุ่นวาย ตัวสิ่งใดใช่นอกตัวอยู่ตลอดเวลาต้องพอใจไม่พอใจต้องห่วงใยรักใคร่ปกปัน้นกังวนใจใะไต่ตางๆต้องจิตออกนอกไปหกมุน่นคุณคิด ค, ค, ดคดหมกมุ่นในเรื่องการส่งจิตเรื่องการปฏิบัติธรรมทำไงถึงได้เป็นให้บรรลุธรรมให้บรรลุนิพพานทตนทีทำไงมันไม่ถึงไม่ได้เหมเป็นทันทีอันนี้ก็เรียกว่าต้องจิตออกนอกมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทยัยเหตุพวกนี้ดับสมุทัยก็ดับ ความทุกข์ในใจทั้งหมดกระดับแล้วแต่ทุกกายคือหัหน้าต้องเป็นทุกข์อยู่จนกว่าจะตาแต่ทุกใจดับคร้บปฏิบัติจริงๆเง้มันอย่างเงี้ยตายแล้วมืมจะเกิดเป็นอะไรเป็นตรีจางเตระสุรกายสันนรกไม่รู้จะวนเวียนมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่น้อยล้านชาติถึงได้เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ล้านปีในพระพุทธศาสนาหรือเปล่ามีคนสอนหรือเปล่าลืมไปแล้วหมดนั่นที่ปฏิบัติมาตั้งตัวนับหนึ่งใหม่โอ้ยคิดนํามันน่ากลัว เพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีชาติหน้าอีกสําหรับเราหนึ่งชาตนี้จะเป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นนะไม่มีพลาดอีกแล้วพลาดแล้วนี่แทบจะโอกาสที่จ ะ, จะได้คืนมาเป็นมนุษย์เาปฏิบัติทําอย่างนี้ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าหมู่ประมาทกันไม่ได้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่พวกเราอย่งประมาทกันนี่ก็ลาบากทุกข์ยากลําบากเบียนวนมันจะไม่มีหลักธรรมไม่มีธรรมเป็นแก่นสารทั้งใจได้ มันต้องให้ใจกระทำอยู่คู่กันตลอดใจกับกระทำเของคู่กันก็คือว่าใจมีแต่ความสงบร่มเย็นดับความเลวร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใจใดในโลกกยได้ตลอดเวลาแน่เลยว่าใจกระทำทำกับใจเป็นของคู่กันตลอดเวลาที่เรพูดทาว่ากินกับทำนอนกับทำอยู่กับทำไปไหนกับไปกระทำเลเนี่ยพอาใจมันไม่มีความเลาร้อน ดับความเลวร้อนถอนความพอใจและความไม่พอใจใดๆในโลกเลยนั่นแหละเรียกว่าใจเป็นธรรมธรรเป็นใจแล้วมันขณะปฏิปการมันเป็นอย่างนี้ไม่โหยหาไม่ดิน้นรนไป่กบแกร็งแม้แต่ปฏิพการแม้แต่ธรรมก็ไม่ดิน้นรนโหยหาปไหวกว่ามันเพราะการดิ้นรนค้นหาธรรมดิ้นรนค้นหาปฏิปารเนี่ยอันนั้นน่ยมันจริงเป็นไฟยิ่งทําให้ มีความเล่าร้อนเป็นตันหามันต้องข้ามอนิพานอย่ามัวประมาทเอาอย่างสุภัทธิอรหันสาวกอง์สุดท้ายพระพุทธเจ้าดับขันประลิพานลมหาใจจะเลือสุดท้ายแลสุตตระไม่ยอมยังไงจะต้องบรรลุนิพานก่อนพระเจ้าจะดับขานประิพานเพื่อสุดท้ายให้ได้ขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ า, า ส, สั้นๆว่าจะทำยัางานที่จะบรรลุนิพานพระเจ้าว่า จิตเดิมแท้มีความเป็นประภุทสอนรัศมีของพระอาทิตย์และพระจันทร์มันเป็นสิบห้าขั้มแต่เจ้าหมองเพราะว่าอุปกิเกเรททั้งหลายจอนมาคือความหลงคิดความแต่งความเกาะเกี่ยวความพันความโลนร้อนใจก็ไม่สบายใจเป็นอุปิเกเรทจอนมาความ้าใจก็ไม่พอใจความกังวลใจความเย็นใจก็ไม่สบายใจความเกาะเกี่ยวความพันเป็นอุปกิเกเรทที่จอนมาในลักษณะนี้มันเหมือนเมฆมาบังใจ ให้จิตเดิมแท้จะมีความเปลี่ยนพุทธสอนเป็นธรรมธาตุนิพพ า, านธ า, ามมตุเป็นหมดสภาพไปสุภะะเล็งทําความเปลี่ยนอย่างไรจะต้องเข้าถึงจิตเดิมแท้ให้ได้ให้จิตบุพการีทั้งหลายให้ได้ก่องที่พระเจ้าจะดับขังนิพพานที่หลงเาใจที่เราพูดได้สุดท้ายาก็สุภะทากับรู้อรหันต์ก่อนที่พระเจ้าจะดับขังนพิพพานตังขาร่างกายมันก็ไม่ใช่เป็นจิตเดิมแท้ สนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝ่ายนํามาทําหรือฝ่ายจิตที่มีความรู้สึกในคิดอารมณ์ก็ไม่ใช่จิตเดิมแท้ก็มันเป็นสิ่งที่กระเพื่อมเป็นสิ่งที่ไหวตัวเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวได้เป็นสิ่งที่จับมาการได้จึงไม่ใช่เป็นจิตเดิมแท้สิ่งเหล่านี้ปล่อยวางมันจะให้หมดได้แต่แค่สับตว์วัตถุปล่อยวางมันไม่ไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยึดถือเกาะเกี่ยวปั่นแต่แต่แค่รับรู้รับทราบไม่เข้าไปรักไม่เข้าไปจําไม่เข้าไปปอใจไม่เข้าไปพอใจ ไม่ไหลจิตเตกับมันแล้วไม่เข้าไปดิ้นรนฝักไสรับรู้ได้แจ่มกลางนั่นแหละพุทธเจ้าบาลทั้งหลายถ้ารับรู้ได้แจ่มกลางมาชิมาปฏิปทาจึงบรรลุเป็นปาละหันสัมมาสัมพุทธเจ้าและปาละหันสาวกทั้งหมดเพราะรับรู้ต่างกายรับรู้ความรู้สึกแนวคิดอารมณ์ทุกอย่างได้แจ่มกลางไม่ไหลจิตเตกับมันไม่เข้าไปพอใจมันไม่เข้าไปดิ้นรนผักใสมันมันจะทุกข์มันจะสุขจะโศกจ ะ, จะเศร้าจะตีใจจะแก้แก้นใจประกันอย่างใดก็ตาม รับรูมันทุกอย่างในใจเป็นกลางอดทนอดทนอดการข่มใจระงับเยบย่าใจอดทนจนถึงที่สุดอดทนไม่ใช่ว่าอดทนเหมือนวัวเหมือนควายอดทนคือรับรู้มันทุกอย่างในใจเป็นกลางไม่ใชไปทนกับอาการเหล่านั้นอดทนหมายถึว่าอดทนกับมันคือไม่เข้าไปพอใจมอดทนที่จะไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจมันทนเหมือนวัวเหมือนควายดทนมันอยู่อย่างนั้นแ่ละแต่ใจอยากใจปัญหาเพื่อทีเพอเข้าใจว่า มันต้องมันหายไปนั่นจะเป็นสุขที่สุดไม่ใช่ว่าทนให้ใจเป็นกลางแต่จะทนมันเพื่อให้อาการมันหายไปนี่ทนมันวัวมัอนควายจะทนอยู่กับมันตู้ซีกับมันอยู่งั้นน่ยไม่ไปยังไงไม่มีปัญญาที่เข้าใจที่ว่าทนมันก็คือทนที่จะไม่ยึดถือมันไม่เข้าไปพอใจมันไม่พอใจมันรับรู้มันอยู่ในใจกลางอันนี้เรียกว่าทนได้คนมีปัญญาไม่จะทนอยู่กับมันโดยที่ไม่มีปัญญาที่จะ รับรู้มันเด็กใจเป็นกลางสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจดับความเาล่ารอนถอนความพอใจความไม่พอใจใได้ด้นั่นแหละต้องทนทนที่จะดับความเาล่านอนถอนความพอใจความไม่พอใจจริงดภายนอกและอาการภายในกายภายในใจเรา ไ, ได้ทั้งหมดนั่นแหะจึงเป็นผู้ที่อดทนอย่างผู้มีปัญญาทางแห่งพระ น, นิพพานพระพุทธเจ้าก็สอนให้หมดแล้วรู้หมดแล้วปฏิบัติเข้าไม่อยู่ด้วยกันไม่เจอกันก็น เจอกันได้ตลอดเวลาเพราะทำทำอันเดียวกันถึงทํามก็ถึงกันใจถึงทําก็ถึงกันเพราะทำเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าห่างทำมีแต่โลกใจมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความพอใจความไม่พอใจรักไข่เกาะเกี่ยวพวกพันห่วงใยกันวนงวลเสยเขาคิดกิดแต่ เ, เขาอยู่บางคนอยู่คนนี้แต่ส่วนนี้มันไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโท ษ, ม, ม, โทษ ม, มีแต่อาจารย์ว่าอาจารย์บอกไม่เห็นโทษของมันเพราที่ทําให้ไม่เป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์ไปล่ําไป จะมีได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในฟังธรรมแบบนี้อีกไหมไม่มีแล้วเพราะครูบาอาจารย์แต่ละท่านสอนผู้สอนธรรมสอนสอนเสร็จท่านก็ม่เกิดอีกแล้วแต่ละองค์ตัวดูนี่ลูกเต็มไปหมดเลยอรหันในห้องเนี้ยแต่ละองค์เป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ชาตุดุลท้ายชาติสุดท้ายแต่ละองค์เขียนไว้ทัานนั้นนี้ชาติสุดท้ายชาสุดท้ายผู้สอนธรรมชาติสุดท้ายหมดอ่ะแต่ถ้าเรายังประหม่านะมันมีโอกาสมาฟังธรรมเกิดมาแล้วจะใครสอนนะเพราะว่าคนสอนธรรมชาติสุดท้ายไปหมดแล้วดูน้ำตาหมาบัวชาติสุดท้าย หลวูเทศชาติตุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เกิดมาเป็นทุกข์อีกอรหันทุกท่านเลยไปดูชาติสุดท้ายทั้งนั้นเนี่ยหลวงปู่ขาวนรโยหลวงปู่ดุนตโรหลวงปู่คันน า, ารเจโรเนี่แต่ละท่านชาติสุดท้ายกันเนลยกังรุปเทศเทศสังสีวัติเมื่อเปลงเราทุกข์เหลือเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดมาให้เป็นทุกข์อีก แต่เรอง์ชาติตัวท้ายชาสุตท้ายทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราจะเอ า, อาครูบาอาจารย์ที่ไหนเกิดไม่อีกแกเราไม่เร่งทําความเบียดไม่ปฏิบัติเราหวังว่าได้เกิดมาเราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติชาติต่อไปชาติหน้าจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนชาติตัวท้ายทั้งนั้นติดตามมหาวัวคุ่งสิ้นไปล่าสุดเนี่ยชาติตัวท้ายเร้ท่านมโนภาพแล้วก็ดูก็เป็นพระธาตุอย่างนี้เราไปเจอท่านที่ไหนแกมีแต่มีในธรรมเท่านั้นแหละธรรมอันเดียวกันเท่านั้นแหละ พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดพบธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั้นทำมันเดียวนี่เนี่ยทำคำสอนนี่เนี่ยไม่ใช่เจอที่ไหนแล้วไม่เจอกันอีกแล้วทำไม่มีธรรมเป็นแต่โลกไม่มีเจอกันไม่มีใเจอใครได้อย่างหลวงปู่ทาทขาบอกผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมไปหาหลวงปู่ทาอกอ่ว่าหลวงปู่ผมไม่คคยมีเวลามาหาหลวงปู่เลยเพราะว่าอยู่กรุงเทพงานก็ายุ่งเขสอนลูกศิษย์เดิงเทปด้วยไม่มีเวลาอยากมาหาหลวงปู่ทุกวันก็มาไม่ได้หลวงปู่บอกว่าอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ตลอดเวลาถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ตลอดเวลาแต่ทาไมเป็นธรรมนะทูตเจาาสารวัตรไอ้จับ้ายผ้าเหลืองท่านไม่ปล่อยเลยก็เหมือนอยู่ไกลพอหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติให้จิ้นความเหล่าร้อนดับความเหล่าร้อนถอนความพอใจความไม่พอใจความกอถอนความเกาะเกี่ยวหัพฟันความกังวยได้จริงๆ สิ่งใดที่ดิฟพลาไปแล้วนะดิฟก็จบขึ้นไปก็ต้องย้อนมันีเราจะปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมไปกับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมมีธรรมเป็นเพื่อนธรรมคือดับความเล่าร้อนดับความพอใจความไม่พอใจความยึดมั่นหรือมั่นทุกขณะปัจจุบันตลอด ก, กาลมีธรรมเป็นเพื่อน ใจเป็นธรรมมีธรรมเป็นใจนี่คือธรรมที่จริงไว้ให้การปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ผมก็อยู่ที่ไหนไม่เจอพกุกข์ท่านไม่เจอพวกผมท่านก็ปฏิบัติให้ได้อย่างคําสอนถึงธรรมแล้วก็ถึงกันพุศเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราจะถามคนถึงธรรมก็ถึงกันเองเห็นธรรมก็เองอย่างนี้พบกันในธรรม พบกันในโลกแห่งธรรมดีกว่าพบกันในโลกแห่งโลกมันวุ่นวายมีแต่ความทุกข์พบกันด้วยใจที่เป็นธรรมดีกว่าอย่าพบกันด้วยใจที่เป็นโลกเลยมันมีแต่ความทุกข์เจอกันทุกครั้งไปให้พบกันด้วยใจที่เป็นธรรมพบกันในโลกแห่งธรรมให้สิ้นโลกเหลือแต่ธรรมบทความก้อเกียนที่ มีค่าทพิถิพุทธเทรเถรังสีเขียนไว้ให้ก่อนที่ท่านบรณภาพสิ้นโลกเหลือธรรมคนเราสิ้นโลกสองครั้งครั้งหนึ่งเมื่อบรุสอุปาพิเศษนิพพานสิ้นโลกทางใจที่ยิตถือเกาะเกี่ย ว, วัวกพันให้เป็นทุกข์สิ้นกิเลสตัณหาเกาเกี่ยวพวกพันให้เป็นทุกข์เป็นความยึดมั่นถรือไม่สิ้นโลกทางใจ แต่ความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจไม่มีบรรลุสัพปาทิเศสนิพพานในครั้งหนึง่งครั้งที่สองก็บรรลุอนุปาทิเศสนิพพานสิ้นโลกคือสิ้นความทุกข์ทางกายคือสิ้นขันธ์ทาดับขันธปรินิพานก็เรียกว่าเศษทุกข์ที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นนิบากเป็นขันธวิบากขันธที่ต้องยังรับทุกข์อยู่ไม่ทุกข์ใจแล้วแต่ยังต้องมีความทุกข์ทางกายที่ต้องรับทุกข์ทรมา สิ้นทุกครัง้งสุดท้ายเจอสิ้นทุกครั้งสุท้ายไปด้วยคือขันห้าแตกทายแตกดับไปเรียกว่าอนุภาติเสสติปัานสิ้นโลกเหลือแต่ธรรมสิ้นไปสองครั้งในชีวิตมันสิ้นโลกเหลือแต่ธรรมเนาะจำเริ่ยรอยตามครูบ า, าอาจารย์จำเรอยตามพระพุทธเจ้าทุกพ ร, ทพระองค์พระสามพระอรหันต์ทุกพระองค์ครูบาอาจารย์จำเนิ่อยตามครูบาอาจารย์ นย่าหมดใช้เวลากับเรื่องน้องอย่าหมดใเวลากับอย่างอื่นของนานได้อานุภาพถึงมาจากพุทธคุณของคุณพระสารคุณคุณพระชนมีคีพงางทําดีคุณละมีความดีทุกประการอํานาจแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประเจ้าระองค์พระธรรมพาหลานสาวกของพระเจ้าทุกพระองค์แต่วาเป็นเจริงมาแล้วทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำได้แล้วถึงแล้วทุกทุกขั้นมันปฏิบัติทําแล้วใจเป็นธรรมแล้วถึงทำนั้นแล้วบริกรรมนั่นแล้ว ขอโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้บรรลธรรมนั่งถึงธรรมนั้นเดียบรธรรมนั้นบรรลุความนิผ่านนั้นต้องความมาตปานาโดยพันธุ์เดอย